วันนี้ขอนาเสนอเรื่องเกี่ยวกับพลังแห่งศรัทธาสรัทธาในที่นี้หลายคนอาจจะเคยศรัทธาในพระเครื่องเครื่องรางของขลังหรือไม่ก็องค์ทวยเทพต่างๆนะครับก็เป็นศรัทธาแบบเช่นเดียวกันครับณหมู่บ้านที่ตีนเขาแห่งหนึ่งตีนเขาเนื่หมายถือว่าข้างล่างที่อยู่ก่อนที่จะขึ้นไปบนภูเขานะครับเป็นหมู่บ้านที่ ค้าขายกันคึกคักอยู่กันสงบร่มเย็นหมู่บ้านนี้มีคู่สามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งซึ่งสามีเขาเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธายึดมั่นในพระผู้เป็นเจ้ามากศรัทธาขนาดไหนไเน่ยครับก็ศรัทธาขนาดที่ว่าอยากจะได้อะไรก็ขอขอพรภาวนาขอพรอย่างเดียวแต่งานการไม่ทําแต่ด้วย บุญเก่าหรือบารมีเก่าของเขาเนี่แหละทำให้เขามีภรรยามาได้จากการที่เขาขอพรเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องที่บังเอิญหรือเปล่านะครับแต่ภรรยาของเขาเนี่อรู้ดีเพราะภรรยาของเขาเนี่ ย, ร, ร, ร, ย, ยรู้สึกเบื่อหน่ายกับสามีมากที่วันๆเอาแต่ขอพรสวดมนต์ขอพรไม่ช่วยทำมาหากินเลยภรรยาต่างหากที่ต้องคอยออกไปข้างนอก ค้าขายรับจ้างทำงานต่างๆเพื่อเอาไรายได้มาจูนเจือครอบครัวถึงกระนั้นเธอก็ยังทนได้ใช้หลักการสีทนได้ครับเพราะหลายๆครั้งหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาจากนอกบ้านก็จะมาพบกับคำพูดของสามีที่ชวนให้รู้สึกหายเหนื่อยดีหรือว่าจะขาดีหรือว่าจะท้อแท้ดีนั่นก็คืออย่างเช่นเป็นไงบ้างอะที่รักวันนี้จะขายของดีไหมภรรยาก็จะตอบไปว่า ขายดีจ้ะวันนี้ฉันขายดีมากเลยเป็นไงล่ะขาับมาัิฐานของฉันเป็นผลไหมล่ะนี่ถ้าหากฉันไม่นั่งภาวนาขอพรให้เธอขายดีนะรับรองวันนี้เธอเหนื่อยแน่แน่ภรรยาได้ฟังก็ต้องตัดํำคาญไ้ว่าจ้าจ้าขอบคุณจ้าพอทุนหัวจากนั้นก็หาน้ำให้ภรรยาดื่มแล้วก็เข้าห้องไปสวดมนต์ภาวนาต่อฟังมาถึงตอนนี้ทุกท่านก็คงจะคิดได้ว่า มันก็มีอะไรแปลกนี่ก็เพราะว่าเขาก็รักกันดีเขาก็อยู่กันได้เหตุการณ์มันคงจะเป็นเช่นนั้นแหละครับถ้าหากว่าเย็นวันหนึ่งไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นวันนั้นที่พูดถึงก็คือมันมีลมพายุกำลังจะเข้ามานะพื้นที่นั้นฝนกำลังจะตกลงมาชาวบ้านทุกคนแตกตื่นพร้อมดีคําประกาศจากวัดที่อยู่บนยอดเขาว่าให้ชาวบ้านทุกคน ขนเข้าของขึ้นไปหลบภัยอยู่บนวัดบนที่สูงดีกว่าเพราะว่าพายุที่จะมาครั้งนี้มันดุนแรงมากมันอาจจะเกิดดินถลม่มหรือโคลนถลมม่มบ้าบหมู่บ้านทําให้เกิดการเสียชีวิตหรือล้มตายได้ชาวบ้านทุกคนตื่นตัวตื่นกลัวก็ช่วยกันเป่าประกาศไปทั่วว่าเร็วเร็วเร็วเร็วทุกคนเร็วหลวงพ่อท่านประกาศมาว่าให้ทุกคนขึ้นไปหลบภัยอยู่ในโบสถ์จะได้พ้นจากภัยของพายุอันนี้ ภรรยาของผู้มีศรัทธาแรงกล้านี้ก็ได้ยินเหมือนกันระหว่างที่ขายของเอ๊ะนางจะคิดได้ว่าอืมต้องรีบกลับบ้านซะแล้วต้องรีบไปแจ้งข่าวเราจะได้หนีเอาตัวรอดกันทันเมื่อคิดได้เช่นนั้นนางก็ไม่รอช้ารีบเก็บข้าวของที่ขายทุกอย่างแพ็คติดตัวรีบเดินทางจ้ำอ้าวกลับบ้านทันทีในระหว่างทางที่กลับบ้านนั้นก็สวนกับผู้คนที่กําลัง ลีไภัยขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะหลบอยู่ในโบส ท, ที่อยู่ข้างบนวัดนั้นโอ้ท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มฝนก็เริ่มตกนางหวั่นใจยิ่งนักจึงรีบเดินกึ่งวิ่งใจนางก็วีตกเหลือเกินว่ามันจะทันไหมนอ้อถ้าเรากลับไปถึงบ้านนล้นเราจะหนีออกมาทันไหมเนี่ยสักพักนางก็ไปถึงบ้านของนางเมื่อเข้าไปถึงที่บ้าน นางก็ต้องตกใจเมื่อเห็นสามีของตนเองกำลังนั่งสวดภาวนาอยู่จึงได้ตะโกนถามสามีดังๆว่าที่รักที่รักท่านแม่ดีนประกาศจากทางวัดเขาหรือที่ว่าจะมีพายุใหญ่มาทำไมไม่รีบเก็บข้าวของเพื่อที่เราจะได้ลี้ภยัยขึ้นไปอยู่ในวัดกันล่ะสามีได้ยิน ง, งั้นก็หันมาตอบกับภรรยาหน้าตาเฉยว่าเฮ้ยก็พี่ก็สวดมอนต์อยู่นี่ไงสวดภาวนาอยู่ไม่มีไรหรอก เพราะว่าประเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยเราเองและที่รักอยู่เฉยๆเธอะภรรยาได้ยินเ ง, ง้นก็บอกว่าอุย้ยตายแล่นี่ฉันอุตส่าห์วิ่งมาเพื่อเป็นห่วงนะเนี่ยพี่ไปไปก็เรื่องของพี่แล้วกันฉันจะเก็บข้าวของแล้วกันว่าแล้วภรรยาก็รีบเก็บข้าวของที่จําเป็นแพ็คๆเท่าที่จะออไปได้และนางก็รีบวิ่งออกจากบ้านแต่ก็ยังไม่ไหวายหันหลังมาเตือสามีอีกว่าเลวที่รัก รีบไปตอนนี้ก็ยังทันนะสามีได้หันมามองแล้วบอกว่าโอ้ยมิตกกันไปเยอะแล้วเพราะว่าแค่นั่งสูนบนพรนาะเดี๋ยวพระผู้เป็นเจ้าก็ช่วยเองและเรารอดพ้นแน่เฮอฟังสามีนางพูดแล้วเหนื่อยสุดท้ายนางก็ต้องจําใจทิ้งสามีไว้เบื้องหลังอยู่ผู้เดียวจะเป็นยังไงเนอะคืนนั้นทั้งคืนลมแรงมากพายุมาแรงจริงๆ นางยังคิดในใจแล้วว่าขอให้สามีนางปลอดภัยอย่างที่เขาอธิษฐานด้วยเถิดเช้าวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์กลับเป็นปกติทุกคนลงมาจากเขามาสำรวจความเสียหายภายในหมู่บ้านหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนั้นบ้านเรือนหลายหลังพังสีแหลกขาดไม่เหลือเลยดินโคลนถล่มลงมาทับเละเทะไปหมด และหลังจากที่ทุกคนทำความสะอาดหมู่บ้านนั้นสำเร็จแล้วก็ไม่มีใครพบสามีของนางคนนั้นอีกเลยเป็นไงะครับฟังนิทานเรื่องนี้แล้วรู้สึกอะไรบ้างไหมครับแต่สิ่งที่คนเล่าอย่างผมรู้สึกคือว่าพลังศรัทธาเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าหากผู้ที่ศรัทธาไม่มีปัญญาที่จะนึก ตรึกตรองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเอาแต่นั่งงอมืองอเท้าและขอพรไม่มีพระเจ้าองค์ใดหรอกครับที่จะมาช่วยท่านได้เบสิกขั้นแรกของการใช้ชีวิตก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับเมื่อคนเราช่วยตัวเองจนถึงจุดสุดขีดแล้วเมื่อไม่ไหวแล้วก็ค่อยไปเอ่ยปากขอร้องให้คุณอื่นมาช่วย อันนี้ไม่น่าเกลียดครับไม่ใช่ว่ายัางไม่ทันที่จะพอได้พึ่งพาตนเองเลยก็เอาแต่ขอร้องขอพรรบกวนพึ่งพาคนอื่นจนเป็นนิสัยหากใครใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วก็สภาพก็คงไม่ต่างจากนิทานที่ผมเล่าให้ฟังหรอกครับสวัสดีครับ